ทำกิจในการที่จะกรอบรู้ทุกลาสมุทรไทยทำนิโรธให้แจ้งแล้วก็อริยมรรคเกิดขึ้นบริบูรณ์หัตถไทยหทยทัถยวัตถุมหาโพธิ ร, รูปที่นี่ไหมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเอ อ, ท, เ อ, อที่เกิดจากกรรมออกไปใช่ไหมที่เป็นที่อาศัยเกิดของมรรคจิตูบาทของท่านเปล่งปังมากเปล่งปลังมาก งามมากใช่ไหมดินน้ําไฟลมที่เกิดจากกรรมดินน้ําไฟลมที่เกิดจากจิตเดิมน้ําไฟลมที่เกิดจู่ตัวเลขฐานเต็มไปหมดเลยสว่างจ้าหมดเลยสว่างจ้าหมดเลยงดงามมากแค่นั้นหากพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นว่าหลังจากนั้นเบ็ดเสร็จใช่ไหม หลังจากอารัฐมรรฐผลเกิดขึ้นเป็นไปตามลําดับต่อมาก็เกี่ยวกับในเรื่องของปัจเวกายนายรนจบลงไปก็สับพัญุตยานเลยใช่ไหมพระองค์ก็ประกอบไปด้วยสับพญุตยานเวสารชายานนี่ไหมเกี่ยวนในเรื่องของพุทธญาณสิบสีเวนีิก็ะทำสิบแปดแล้วก็ทศพลายานต่างๆนี้อันนั้นเป็นคุณธรรมที่ตามตามหมดเลย แผ่นดินสะเทือนคือลองคิดดูที่บา ร, รมีของท่านทั้งนั้นแผ่นดินใบนี้สรีระของท่านทิ้งไว้ทั้งนั้นนะที่ท่านเก็บบา ร, รมีสิบอุปบา ร, รมีสิบป ร, รมัตถะมีบา ร, รมีสิบนะสะเทือ น, นยไม่มีใจสะเทือนได้เทวดาและพรหมทั้งหลายเนี่ยสะเทือนเลื่นลันงหมดหวไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหม ในด้านก็ของชาติเขตินกันอาาเขตของท่านเนี่ยในด้านของอาณาเขตมันเป็นอนณาเป็นเขตของท่านของเขตของพระเจ้าเขตของท่านถึงไหนนะท่านประกาศเขตเลยอ่ะประกาศเขตเลยนี่นี่เขตของท่านสะเทือนสะท้านไปกี่ใบนี่เนืนี่ท่านประกาศเขตเลยเหมือนราชสีอะเวลาคำรามเนี่ยเสียงของราชสีที่คำรามเนี่ยประกาศความยิ่งใหญ่นะ สัตว์อื่นทั้งหลายเนี่ยกลัวต้องหดหนีหมดนะต้องยอมไม่หมดนะอันนี้เหมือนกันพอการตรัสรู้ของพระเจ้าเนี่ยสะเทือนสะท้านหมดท่านประกาศเขตของท่านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตอนนั้นเรารู้อยู่เขตท่านรูบ้บออ่คือถ้ามาคิดเข้าใจพุทธคุณตรงนี้เนี่ยเวลาเข้าไปตรงที่สถานที่ตรัสรู้เนี่ยใช่ไม พอไปที่สถานที่จัดสรู้เนี่ยก็ทําให้บางทีเราไม่สะดุ้งสะดือนอะไรเลยอัจาสัยถ้าจะไม่ได้มีเลยอะ่ะไหมถ้าจะไม่ได้อัจฉรั ย, าายนะใสน่จะไม่มีอะไรเท่าไหร่เลยเนี่ยตรงนี้ก็ได้จะมานั่งคิดว่าอะไรเกิดขึ้นในใจเราในกระบวนรจิตของเราเนี่ยไมยมันเป็นอะไรอะ่ะมันชาขนาดนี้ยนะคิดคุณไม่ออกเลยนะ ก็แสดงให้เห็นชัดว่าถูกทับถมโดยภพชาติอย่างหนึ่งที่ได้ครับยาวนานมากแล้วถูกมิจฉาทิฏฐิฟังแน่นในกมลนัสันดานอย่างยาวนานก็เนี่ยเราอยู่ในอัคคณาขณะที่ไม่ควรตัดสู้อย่างยาวนานผ่านพุทธเจ้ามาหลายอาสงไข่แปดสิบสอสงไข่ก็ก็ได้เห็นฉะนั้นสภาวะของการตัดสู้ที่พุทธะนั้นน่ะ ถ้าถามบอกว่าสภาวัดตรัสรูรยะสี่ที่ได้นามว่าพุทธะกว่าจะเกิดขึ้นมาเนี่ยย้อนหลังดูนั่นคือการณามรัิการที่จะต้องให้เกิดเข้าใจใช่ไหมถ้าหากว่าไม่มีการณามรสิการคือตั้งโยนิโสมรัิการเห็นคุณของพุทธเจ้าในการย้อนอดีตมานับตั้งแต่สัมมาสัมโพธิญาณที่สัมมาสัมพุทธะเนี่ยที่ท่านได้ในในวันตรัสรู้เนี่ยแล้วย้อนหลังไป เราจะได้เห็นว่ากว่าที่สัมมาสัมพุทธสพญายุตยานอนาวรณ น, านายานอินเตียปโรปริยติยานมหากรุณาสมาปัฏิยานยมกะปาฏิหาริยยานเนี่ยอาสยานุสยยานอินเตียปโรปริยตยานเป็นต้นเนี่ยนะพุทธยานสี่เวนี่กระทำสิทศวรรยานก็เวสารัชยานสี่ในบรรดาพุทธยานทั้งหลายที่ได้มาเนี่ยมีอะไรเป็นปรรทัฐานมีอาร่าจผลเป็นบรรทฐาน าราทผลมีอารธมารเป็นประธานอารธมาร ก, ก็มีวิปาาัสนาญาณเน่ยไหมวิปัสนาญาณทั้งหลายไล่ไปเหอะตั้งแต่อนุโรมายาโคตรุเวทานนะอนุรมายานนะสังขารุปเปฆ า, ายานเปโตรนไล่ลงไปทีนั่นคือประธานฐานของคุณธรรมทั้งหลายของพระพุทมีพระภาคแล้วในบรราวิปัสนาญาณทั้งหลายนั้นมีสมาธิเป็นประธาฐานอย่างไรสมาธิมีสุขมีปสัสจัตติมีปีติมีปราโมท มีอวิปปิสารมีกุศลศีลสี่กลุ่มคือปาฏิโมกสังวรศีลอินเดียสังวรศีลอาชีวประดิธิ์ศีลปัจจยาศนนิสิตาศีลเป็นประาฐานอย่างไรและศีลเหล่านั้นมีศรัทธานะีเป็นประาฐานศรัทธาและมีพระสัตธรรมของพระพุทธเจ้าองค์ก่อ น, อนเป็นประาฐานอย่างไรนะ เป็นต้นเหล่านี้ท่านต้องสั่งสมแล้วก็ย้อนกลับไปจนถึงว่านั่นแหละโพธิปักย่าธรรมมีบารมี10อุปบารมีสิบ ป, ปรมัตถมามบีสิเนี่ยเป็นปรรทัดฐานของท่านมีพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเป็นปรรทัดฐานอย่างไรเป็นต้นยาวนานมาก20อสงไขยส8่สทั้งหลายเหล่านี้นี่คือปรรทัดฐานแห่งการที่จะได้สัพพัญญุตยานปรรทัดฐานในการที่จะได้อารหัตมรักษ์จะได้สัมมาสัมปธิยานจะได้คําว่าสัมมาสัมพุโทโหนี่ยากยิ่งนัก นี่การไข่ควรอย่างนี้จะได้เห็นคุณท่านถ้าพิจารณาถึงขนาดนี้แล้วใจยังไม่ชัดเจนหรือยังไม่เห็นคุณของท่านนี่ใจบอดแล้วไม่ใช่ไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่ตาบอดอย่างเดียวนะใจก็บอดไม่ใช่หูหนวกอย่างเดียวแล้วใจก็หนวกใช่ไหมถ้ายังสรรเสริญคุณของพระเจ้าไม่ได้นี่เป็นใบ้ด้วยเลยเดีเนี้เสร็จเลยนะเราเป็นคนหนวกเป็นคนใบ้เป็นคนบอดจริงๆมองเห็นหมยมเสน ใช่ไหมถ้าขนาดใครควรหลายพันรอบหลายหมื่นรอบก็เฉยๆนี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะโอ้โห oh. น่าคิดมากหรือถ้าหากว่าเราใครควรถ้าไปใครควรกันจริงๆนะไม่ใช่อย่างที่อามานำร่องให้พิจารณ์ก็ได้เพราะปัญญาคนก็ไม่เท่ากัอนอาดมาอาจจะนำได้เล็กๆเนี่ยนะพวกเราอาจจะไปขยายได้เป็นร้อยในพันในใช่ไม่ใช่ทีนี้ขยายได้เนี่ย อันนั้นจะท่านจะเพิ่มสัตินสีนั้นเพิ่มไปเถะอันนั้นแหละจะเป็นแรงกระตุน้นถ้าศรัทธาในตถาคตตโพธิศรัทธาไม่ดีเนี่ยปฏิโมกสงวสนศีลนั้นไม่แข็งแรงแล็อกไม่ีทางแข็งแรงเลยถ้าปฏิโมกสงวนสีนไม่แข็งแรงแล้วอินทรียสงวนจะมาจากไหนเพราะประธานของอินทรีย์สงวนคือปฏิโมกถ้าอินทรียสงวนศีลไม่แข็งแรงแล้วปฏิโมกจะอยู่ได้อย่างไรดูสิใช่ไหมฮะ ก็ลองไปดูเหอะเราจะเห็นอะไรเยอะแยะหมดปัดจจัยของเราที่ขาดวุ่นวินไปหมดแล้ไปต่อให้ติดอันนั้นมันขาดเรีบร้อยต่อเยอย่าปล่อยยาวนานใช่ไหมหายใจจะขาดอยู่วันสองวันนี้แล้วใช่ไหมเรายังไม่รู้หลนะัก็ไปต่อให้ให้ใหชัดเจนที่ตรงนี้เราจะได้เห็นคุณของพระบรมศ า, ศาสดามากยิ่งขึ้นนี่เข้าใจใช่ไหมไอโยมศลีหยิบถุงโอที่แม นั่นแหละหยิบตรงนี้งั้นถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็จะได้เข้าใจนะเข้าใจคุณของพระพุทธเจ้ามากขึ้นพอเข้าใจคุณของพระพุทธเจ้ามากขึ้นแล้วจะได้ชัดเจนในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนาะถ้าอย่างนี้โยมถิมพอจะเข้าใจนะแล้วจะตั้งหลักยังไงถ้าเข้าใจแล้วจะตั้งหลักในชีวิตยังไง เลไม่เลยีล่ถ้าหากว่ามีความตั้งมั่นในลักษณะอย่างนั้นเ็เรียกว่าเริ่มชัดเจนแล้วทีนี้ถ้าเราเห็นสภาวะเห็นการตัสู้อริยสติว่าพุท ธ, ธะหรือสัมมาสัมพุท ธ, ธะนี่นะ่กว่าจะได้คำว่าตัดสู้เองเนี่ย และเป็นฐานในการยังสัตว์ให้ตัดสู้ตามนี้คือสภาวะอันนี้เป็นสภาวะของนามาธรรมจริงๆและตั้งอยู่บนฐานของรูปธรรมจริงๆใช่ไหมฉะนั้นสภาวะของพุทธานี้เป็นสภาวะเท่านั้นไม่ใช่สัตบุค